ขความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายแต่ลมพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องปฏิจจสมุบาทในช่วงต่อไปในวันก่อนได้พูดถึงอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสละยตนะวัน ก, นก่อนก็มาถึงนามรูป คำนามารูปก็หมายความว่าในส่วนของกายภาพกับในส่วนของจิตมารวมกันก็กลายเป็นชีวิตกานับชีวิตจึงนับมาตรงนี้ในตรงนี้เรียกว่าความเกิดเราจะเห็นว่าในช่วงปฏิจจสมบัติมีความเกิดอยู่สองจุดจุดหนึ่งก็คือจุด ตอนปลายจุดหนึ่งก็คือจุดตอนต้นในช่วงที่สี่่เราเรียกว่านามารูปนี่ก็คือเป็นผลรวมของกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณก็มาสร้างขึ้นเป็นชาติทีนี้มีปัญหาที่น่าทำความเข้าใจอยู่ประการหนึ่งคือธรรมชาติเวลานี้มีการอธิบายกันก็ค่อนข้างอุตดดรุดีบ้างควร กไปพูดไปในทํานองคล้ายๆกับความคิดเราแต่ละวันเนี่ยเราเกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, ตายอะไรเนี่ยหรือมันเกิดจากความคิดอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากเป็นโน од, ้นเราเมื่อเปลี่ยนแปลงไปเราก็เรียกว่าอธิบายว่าตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าความเกิดแล้วก็มีการศึกษากันแพร่หลายกว้างขวางซึ่งถ้าเราศึกษาถึงที่ไปที่มาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับหลักเทวิจารสรงแสดงมันก็เหมือนกับศีนข้อที่สามนะฮะ สิ่งข้อที่สามในกาเมสมิชาจาราวเบรมณนีการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามท่านจะทับศัพท์ลงไปเลยคือไม่ได้พูดถึงของที่ใคร่ที่ปราทนาเพราะอะไรเพราะว่าพวกของเนี่ยนอกจากเรื่องเพศมันจะไปอยู่ในข้อที่สองทั้งหมดแล้วมันเป็นทรัพ สถานะเขามันเป็นทรัพย์เช่นว่าไปอะละหยิบสวยปากกาเพื่อนหยิบสวยไาเช็ดหน้าเพื่อนหยิบสวยนาฬิกาคนอื่นเนี่ยมันเป็นอันตรนาธานมันไม่ได้เป็นการเมตสุวิชาจารย์าการเมตสุวิชาจารย์จะหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจําแนกผู้หญิงผู้ชายเป็นยี่สิบประเภทอะไรต่ออะไรเนี่ยจะพูดเรื่องเพศอย่างเดียว พูดง่ายๆแตาเราดูง่ายๆจริงว่าพูดจากแรงผลักดันของกามราคะเป็นอย่างเดียวแต่ว่าของรักใคร่อย่างอื่นเนี่ยมันจะเกิดโลภะของสวยงามของคนอื่นเราอยากได้มาประดับประดามาตกแต่งแล้วก็หยิบช่วยเอาก็ถือเป็นการละเมิดแต่มันเป็นอธินาทานไม่ใช่เป็นกามิสมิจฉาจารย์ทางการศึกษาธรรมะเนี่ยประเด็นสาคัญว่าอาถากับพยัญชนะ เอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านว่าหรืออัตตกต า, าจารย์ว่าก็บอกไปประตรงนี้อัตตกตาอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้แต่การพูดชาติในเรื่องของความคิดคิดเป็นนั่นคิดเป็นนี้คิดเป็นนนแล้วก็ถือว่าเป็นชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยมากไปนะฮะพูดมากไปแล้วก็ไม่มีที่ไปที่มาอะไรปัญหาสําคัญว่าอัตตอย่างนี้คือเนื้อหาอย่างนี้ยพยัญชนะเป็นอย่างนี้คือพยัญชนะบางอย่างที่มีมีความสลับซับซ้อนเนี่ย แล้วย่ต่อการจะสื่อสารย่าต่อการจะอธิบายว่าเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยจะเข้าใจกันได้ยังไงเช่นคําว่านิพานเนี่ยพยัญชนะมันตรงเยอะเพราะนิพานไม่ใช่ภาษาอธิบายมันเป็นภาษาสัมผัสตรงของตัวตนบุคคลแต่ละคนเรื่งที่จริงเนี่ยเรื่องอื่นเราก็มีอยู่แต่เราไม่สังเกตเองการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายคือรู้เรารู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ย เรารู้เฉพาะตัวเราดู ง, ง่ายๆนะฮะดู ง, ง่ายๆแต่ ง, ง่ายที่สุดก็คือไอ้เหม็นหอมหรือว่าเปรี้ยวหวานมันเก็บ เ, เรารู้ด้จากหมูของเราเรารู้ด้วยลิ้นของเราแล้วไม่มีใครอธิบายได้นะว่าเหม็นเท่านั้นเหม็นอย่างนี้เหม็นอย่างโน้นหรือหวานหอมอย่างนั้นหวานเปรี้ยวเค็มมันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่อนาอธิบายไม่ได้เพราะเจอคือนาทีบายเนี่ย คนก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นเองนอกจากว่าเขาต้องชิมเองก็จะต้องดมเองนิพานเองก็มีลักษนะอย่างนี้นนิพานจึงมีพยัญชนะเยอะแต่อัฏฐะที่จริงก็มีอย่างเดียวเพียงแต่ว่าสื่อสารด้วยด้วยพยัญชนะมากแล้วก็มักจะใช้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราเข้าใจได้นะเจนการไม่มีอะไรการสละเนี่ยการถ่ายถอน การดับความสิ้นแห่งตันหาการทำลายความเมาอะไรต่ออะเนี่ยจะมีลักษณะของรูปธรรมที่ต้องการจะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าเกิดเนี่ยที่จริงมันเป็นคำตรงๆเกิดก็คือเกิดอ่ะคนเกิดสัตว์เกิดแมวเกิดสุนัขเกิดอะไรต่ออก็เหมือนกันนะอธิบายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายไว้โดยภาษาอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช้ในกรณีอื่นนะ ถ้าใช้อีกกรณีนหนึ่งก็ชาติที่สงสารคือการหมุนวนตายแล้วตายอีกฮะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแต่เนี่ยก็จะชาติในลักษณะนนยันเพราะคำว่าชาติที่ทรงแสดงจึงทรงอธิบายไว้เองนะฮะ เ, เช่นพระสูตรต่างหลายมีมาสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นนะเป็นต้นก็มีเยอะแต่ว่าถ้าเราคุ้นคุ้นเนี่ยคุ้ น, ค, นคุ้นกันให้ลองสังเกตว่า คือการจะไขอธิบายขยายออกไปเนี่ยเช่นชาติความเกิดเป็นทุกข์ชะาความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์เนี่ยปัญหาว่าถ้าเรา ถ, ถามว่าชาติคืออะไรเนี่ยชะลาคืออะไรดูตรงนั้นไม่ได้ก็ไม่อธิบายไว้ทําไมแม่อธิบายล่ะเป็นการเทศกับคนระดับพระปัญจวกคียคือท่านเป็นนักบวดแล้วไม่ต้องไปอธิบายวิจิตพิสดารอย่างแต่ทีนี้บางทีเนี่ยมีทั้งพระทั้งชาวบ้านแล้วก็คนหลากหลาย คำคำเดียวเนี่ยจะท่งไขขยายความอธิบายออกไปโดยพิจิตพิศาสตร์บนธรามชาติความเกิดอย่างที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยทรงตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็ตอบเองนะฮะว่ากัตเมจะพิกเวชาติตุกอนภิกษุทั้งหลายชาติคือชาตินะเป็นอย่างไร แล้วก็ทรงอธิบายเองว่ายาเตสังเตสังสัตานังตัมพิตัมพิสตะนิกาเยชาติสัญชาติโอกคตินิปปติอภินิปปติขันธานังปาตุปาวะอายตนานังปฏิลาภุอย่งวุยตยติพิกเวชาติคำว่าชาติแปลว่าความเกิดสัญชาติแปลว่าเกิดพร้อมคือมีอายตมีอายตนาสมบูรณ์คล้ายๆกับว่า อคนเราที่ถือไปส่นทิในคันแล้วมันก็เกิดพร้อมกันพอผสมปรั๊บยังก็ถือว่าเกิดแล้วนะครับผสมจิตผสมมวิญญาณเนี่ยถ้าสมมุติว่าพระไปปรุงยาให้เอผู้หญิงที่เขามีคันแล้วก็ทําเด็กตายในปรับประบัาดนะฮะปรับประบัติประชิกเลยคือฆ่าคนเลยก็เรียกว่านับจากผสมมจิตผสมมาวิญญาณแม้แต่ว่าพระที่จะบวชเขานับยี่สิบปีจริงๆในพระบาลีนะฮะ เรานับตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณก็ประมาณเก้าเดือนหรือแปดเดือนนะฮะแล้วแต่หมอเขาจะบอกว่าเด็กคนนี้อยู่ในคันกี่เดือนแล้วก็นับได้ทั้งหมดะฮะแต่ว่าพอมาถึงบ้านเราเรารู้สึกมันมันมากไปคือว่าก็ขอต่อเพราะว่ารูปร่างม่ายังไม่เป็นคนเนี่ยนะฮะขอเพียงหกเดือนเอาในคันเพียงหกเดือนใส่เข้าไปสมมุติอายุสิบเก้า สิบเก้าปีหกเดือนอย่างเงี้ยแล้วในคันใส่ก็หกเดือนบวชได้สิบเก้าปีเจ็ดเดือนเในคันใส่ก็ห้าเดือนหกเดือนคือคือคือยิ่งเศษมากเนี้ยไม่แปลกนะฮะแต่ว่าเศษอย่างน้อยเนี่ยสิบเก้าปีหกเดือนเนี้ยบวชได้เอาในคันใส่ก็ไปอีกหกเดือนแต่พระบาลีอนุมัตินะอนุมัติให้ใส่ได้ทั้งหมดเลยก็เรียกปฐมจิตปฐมบิญญาณคือนับความเป็นมนุษย์กันที่ตรงนั้น ทีนี้ก็เพื่ออธิบายว่ามันก็ผ่านพัฒนาการมาเป็นสัญชาติคือเกิดอาญตนะพร้อมขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็โอคติแปลว่าความยังลงมันเป็นอะไรล่ะคือชลาปุชาหรืออันทชาคือเกิดในครันหรือเกิดในไข่เนี่ยเป็นอาการที่ยังลงแล้วก็นิปติก็แปลว่าการบังเกิด ก็ได้แก่พวกเป็นสุนชิแบบพวกเชื้อไวรัสทั้งหลายพวกเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยแล้วก็อาภินิพ ต, ติคือการเกิดเฉพาะได้แก่โอปปาติกะพวกนี้จะเกิดมาแล้วเป็นเทวดาเป็นอะไรเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นพรมในทันทีทันใดดังนั้นท่านยังบอกว่าขันทานังปาตุภาโวอายตานันังปฏิลาโภ ความปรากฏขึ้นแห่งขันการได้อยตนาครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆอันใด น, นี้เราเรียกว่าความเกิดร่างความเกิดจึงต้องหมายถึงเกิดในกําเนิดสีเท่านั้นไม่ใช่ในความหมายอื่นนะไม่ใช่ในความหมายอื่นถ้าในใช้ในความหมายอื่นก็ต้องมีคําอื่นเข้ามาประกอบเช่นขัติยชาติอย่างเงี้ยเป็นชาติแห่งกษัตริย์ อันนั้นก็ไม่ระาอะไรนะฮะคือคําอื่นเข้ามาอยู่ด้วยแต่ถ้าใช้คํว่าชาติเฉยๆแล้วจะหมายถึงการเกิดในกําเนิดทั้งสี่าการเกิดในกําเนิดทั้งสี่ก็นับตั้งแต่ถึงนับแต่ตั้งแต่ปฏิสนธิก็แล้วแต่นะฮะอยู่ในคันในใครในของสกปรในโดยปุทธขึ้นก็นับที่เกิดตรงนั้นทีนี้เมื่อเกิดแล้วก็ได้อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใครบ มันก็กลายเป็นกลายเป็นอายตนะภายในภายในหกนิคร บ, บริภูนทีนี้พวกนี้ก็เห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสดมกม ล, มลิ่นอ้วจมูกลูมรสด้วยลิ้นถูกต้องยึดแน่นแข็งด้วยกายเนะมันก็กลายเป็นความรู้แต่ถ้าข้างนอกเนี่ยถ้าเรานับข้างนอกนะฮะไม่ไม่ไม่นับข้างในเนี่ย บางทีก็ต้องเอาวิญญาณก่อนตรงนี้ที่จริงมันเป็นวิธีวิญญาณแหละก็ความรู้แต่ว่าช่วงนี้ยังพูดเรื่องในเรื่องตอนขณะอยู่ในคันอยู่เคะนคามันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆจนแตกเป็นกิ่งก้านสาขาแล้วก็ได้อายุศาครบขึ้นมาเนี่ยพอถึงจุดนั้นมาก็ทำให้แกเกิดเป็นการกระทบ ระหว่างอายตนะภายในภายนอกวิญญาณก็มีการกระทบกันอย่างที่เรากระทบทุกวันนี่ยนะะเราเห็นรูปความเสียงดงกลิ่นรีบร้ถูกต้องยินนนนนแข็งแล้วก็สัมเดงอาการเหมือนกันทั่วไปทั่วโลกมีรู้จักมีไม่รู้จักมีรู้จักแล้วก็ชอบมีรู้จักแล้วก็ไม่ชอบมีรู้จักแล้วก็ดีใจรู้จักแล้วก็เสียใจรู้จักตกใจรู้จักกลัวรู้จักอะไรต่างก็แล้วแต่ คือมันภายในใจเราเนี่ยมันมีสัญญาเก่กับความจําเอาไว้แล้วมีความสุขความทุกข์ที่เราเคยสัมผัสกับบุคคลนั้นพ้น ท, ท่าทีต่อสิ่งต่อคนสัตว์ที่เราสัมผัสเนี่ยนันจะต่างกันเสมอไอ้ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าธรรมชาติของสัตว์โลกมันอยากรู้พอไม่รู้มันเกิดสงสัยก็ อ, อยากรู้อยากรู้ก็พยายามศึกษาที่จะให้รู้ พอรู้แล้วเราก็ได้สัมผัสเขาแล้วนะเกิดชอบหรือไม่ชอบแล้วก็จําความชอบไม่ชอบ น, น, นั่นเอาไว้เราจะเห็นว่าตัวชอบตัวชอบเนี่ยเป็นเหตุเราเกิดความสุขตัวไม่ชอบเป็นเหตุเราเกิดความทุกข์เราก็จําไว้พอเราเห็นภาพเนี่ยเราจรึงชอบไม่ชอบพร้อมด้วยเป็นทุกข์มันเหมือนกับติดกันนะนะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับติดกัน มันก็ที่จริงเป็นกระบวนการของธรรมชาติแต่ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่าจากจุดที่เราเริ่มทุกขประจากษ์อวิชชาเนี่ยเราสัมผัสโลกแล้วมันไปนเพิ่มกิเลสเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกรักชั่งพอ ร, รักมันจะเพิ่มกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะประเภทวคว้ากรมาหานะเพื่อได้เพิ่มมีเพิ่อเป็นแต่ตรงนี้มันต้องสัมผัสก่อน ต้องกระทบก่อนนะคล้ายๆกับชอบเนี่ยมันต้องชิมก่อนหรือชอบกลิ่นอย่างเงี้ยต้องดมก่อนชอบรูปอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องเห็นก่อนชอบเสียงอย่างเงี้ยต้องได้ยินก่อนแล้วในที่สุดมันก็เกิดเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ก็กลายเป็นตรงนี้ท่านไม่นับปัญญานะท่านก็นับแค่สัมผัสสัมผัสตังเราในโลกเราเราก็มีสัมผัส 6. เรียกเต็มเต็มเรียกเรีย ก, เ ร, ยกเรียกเต็มยศเต็มที่เขานะฮะตามกระบวนการของภาษาสัมผัสจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุสัมผัสฉช่าเวทนาความสเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจกากสุสัมผัสเป็นปัจจัยตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นทางเกิดกิเลสหรือเกิดธรรมะก็ได้ก็ไม่รู้อะไรหมายความสายกิเลสนี่เกิดราคะก็ได้เกิดโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้ลิสยะก็ได้สายธรรมะเกิดความเมตตก็ได้กรุณาก็ได้เกิด เอสงสารเกิดมุทิตาอะไรก็แล้วแต่คือมันจะเกิดด้านดีเกิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดไม่ยินดียินร้ายอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวุญิภาวะของเราอย่างหนึ่งแล้วขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เราเก็บสะสมไว้ไปในใจอีกอย่างหนึ่งแล้วกิริยาอาการการแสดงออกของสิ่งเหล่านั้นที่มากระทบประสาทสัมผัสเราเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือองค์ประกอบต่างๆลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ สามารถจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของเราได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นคนก็เคยทำไมรกกร่รบกวนหรือขนาดนั้นน่ยก็ทำไม่รบกวนแล้วโกรธมากอะไรก็ถือไม้ไปจะทุบตีเขาวอะไรเนี่ยแต่เขาแสดงความสำนึกผิดยกมือไหว้ทาตาละห้อยแบบสำนึกผิดขอคมาโทษอะไรต่ออะไรคือคือแรงโทสะเนี่ยมันจะอ่อนเองแล้วก็จะทําอะไรเขาไม่ได้ พูดถึงเรื่องนี้ก็ได้ยินข่าวที่จะยกเลิกการใช้ไมเรียวในโรงเรียนนั่นนะ ค, คือมาฟัางฟังก็ดูหน่อยหนึ่งฟังก็ปีปลายกันนะคือคนที่ไม่สอนจริงเนะี่ยจะไม่อยู่ภาคสนามหลากหลายเนะี่ยจะพูดไปอย่างเนึ่งแต่คนที่เจอภาคสนามมาสอนนักเรียนหลายชั้นหลายวัวยโดยเฉพาะวัยเด็กเนะี่ยมันจะมองไปอีกอย่งหนึงคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จําเป็นีจะต้องออกมาวุ่นวายกันนนะ ไม่เรียวเนี่ยเป็นมาตรการสุดท้ายมันมีไว้มันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่มีเนี่ยเมื่อถึงคราวว่ามาตรการทั้งอื่นหมดแล้วเนี่ยทำยังไงมันจะลืมมาฮะยี่สิบปีสามปีไม่เคยใช้ก็ได้จะแปลกอะไรแล้วก็มีไว้มันเสียหายอะไรเพราะมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแกใครเลยถ้าเราไม่ใช้อารมณ์เวลาถือไม่เรียว ทีนี้ถ้ามาตรการสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่เอาไม่อยู่นะคนนะ่ะพูดเป็นเล่นนะคนไม่ไปครุกคลีกับเด็กเนี่ยไม่รู้เองคนต้องครุกคลีเยอะแล้วคนที่พูดเนี่ยคือเราก็ดูว่าพวกนี้มีประสบการณ์ในการสอนเด็กน้อยไปคือรู้จักเด็กน้อยไปเด็กนี่มันเปอร์เซ็นต์สูงเยอะสูงมากเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่เดียวเลย แล้วาบางคนเนี่ยอาจจะต้องเงื้อมืออาจจะต้องใช้อะไรบ้างนะะต้องใช้ขู่บ้างอย่าใช้ลงโทษบ้างมันอย่าลืมมานิกหข้หาพกาะของพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้ากับสามเณรเนี่ยยังมีทันตกรรมมาฝึกเนเนี่ยมีทันตกรรมไม่ลงโทษทํ า, งง อ, ยาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ไม่ใช่เกียนหรอกนะนะาความลงโทษไอ้ถูพื้นไอ้กวาดขยะให้ล้างส้วมให้อะไรแต่ไรเนี่ยมีมาตรการในการลงโทษ ต่การฝึกปลือมให้เกิดสันชาติยานใหม่เกิด ม, มามันไม่ใช่ว่าไปเหอตามผลาเข่าวไอ้เด็กพลางมันยิงพ่อแม่แล้วดูข่าวหรือเปล่าตามอะไรมาหนักหนาแล้วผลางอะ่ะทำไมไม่มีจิตวิญญาณของตัวเองบัางคิดตัวเองได้นะคือเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่การไม่มีเนี่ย พอถึงบทสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วเหมือนก็โทษอะไรต่างๆในในบ้านในเมืองเนี่ยโทษหนักๆเช่นสมมติโทษประหารเนี่ยก็ประหารที่ไหนอะแต่ว่าถ้ามีไอ้พวกหนักๆเข้ามาในบ้านเมืองก็จําเป็นต้องใช้เนี่ยก็ต้องมีอะไรสมบัติใช้อย่างหนึ่งปัญหาเหล่านี้ยบางเรื่องเนี่ยคือเราไปใช้ความคิดความเห็น เฉพาะกรณีไม่ได้เพราะว่าภาคสนามในีันหลายกรณีแต่ว เ, เวลายกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวเองหรือว่าเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการไม่ได้สอนเด็กนี่นะก็แน่นอนแหละในสมัยก่อนเนี่ยก็สอนแต่ต่อมาก็เป็นผู้อำนวยการก็พูดได้อีกเรื่องหนึ่งคือยังนึกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่วันก่อนเนี่ย อาจารย์ไหนสำเรองนินประดิษฐ์อะไรเนี่ยพูดเออต้อมีเหตุผลตัวเองเคยผ่านการเป็นครูใหญ่ผ่านเป็นครูน้อยผ่านสอนอะไรามาสารพัดแล้วก็พูดอาจาในทางประนีประนอมอันนี้ก็คือคือคืออะไรคือลักษณะของอารมณ์ที่มันสัมผัสแล้วเนี่ยมันเกิดเวทนาทีนี้สัมผัส บ, บางอย่างเนี่ยเวทนาบางอย่างเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นอะไรได้ สำหรับคนบางคนนะมาตรการเราจะเห็นว่าคันเนี้ยขานาดเนี้ยอย่างอย่างลองดูบ้านเมืองเราอะเวเ น, นียโทษยาบ้านเนี้ยเขาประหารนะนะลงตัดสินประหารลงข่าวเยอะเห็นเคยก็กลัวนั่นคือมาตรการเฉยๆแต่ามาตรการเหล่านั้นแหละบางทีบางก็ขู่อะไรก็ไม่ได้เลยแต่เขารู้ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีจริง ประหารเสร็จแล้วก็ลดลงจำพุตลอดชีวิตทําความดีก่อนลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆเราะงั้นในมีไว้ขู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือคือหลักการฝึกคนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้กับมานกันเทสนิกันห้าระหังปะการเทปะกันห้าระหังเจ๊ข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องด้วยการฝึกปลื้คนมันจะต้องมีอย่างนั้นทั้งสองอย่าง ใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คื อ, อยังชอบใจแนวคติโบราณสาสน้ําลูกโยกอไผ่นี่ไปรอะมากมันมีความชัดเจนว่าในบรรยากาศของความรักความอบอุ่นเนี่ยที่จริงก็ยังสัมผัสนะฮะเราเห็นว่าสัมผัสกเวทนาเนแล้วการสัมผัสแล้วมันอบอุน่นมันเกิดสุขเวทนาถ้าถึงจุดนั้นขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเนี่ยเราจะใช้ไอ้สัมผัสที่อบอุน่นแล้วเกิดสุขเวทนาเนี่ย เป็นเครื่องมือในการลงโทษเขาได้โดยเขาไม่โกรธเขาก็อยากให้ลงโทษเขาแล้วก็ถ้าลงโทษแล้วเขาจะได้เป็นสุขต่ไปลงโทษเขาจะทุกข์นะฮะสมับคนที่รักเขามุ่งหวังดีต่อเขาแล้วเขาไปทำให้เราผิดหวังเขาก็อยากให้ลงโทษเพราะเขารู้สึกผิดฝังอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจ ขั้นกระบวนการตรงนี้ลองทังเกตว่ากระบวนการสาดน้ำลูกหยอกก่อไปเป็นกระบวนการสัมผัสเวทนาก็ เ, าเรียกว่าอะไรนะอายตานาะผั ส, สเวทนานะลงมาทั้งหมดเลยแพ้วถึงจุดหนึ่งเมื่อเกิดตัญหาคืออยากให้เขียนอยากให้ลงโทษอยากให้ตำหนิตีเตียนปัญหามันใช้สร้างสรรได้นะมันไม่ได้ใช้ทำลายทั้งร0อยเอร์ซ็นเะนี่ยมันอยู่ที่ความเข้มข้นของมัน ว่าใช่ในทางบวกก็ได้ใชิในทางลบ ก, ก็ได้เพพวกนี้ใช้าอาศัยไปมรรคผลไม่ผ่านอย่างไ้เลยที่ท่านแสดงไว้ว่าตัณหงนิสายตาัณหาภาตปาอาศัยตัณหากะลาตัณหาเพราะในในผัตสะมันจริงก็มีหกจกักขูสัมผัสชาเวทนาคือจกักขูสัมผัสนะฮะก็เรียกเรียกตามอายตนาภา ย, ภายใน ต้องลงก็หกูดสัมผัสโสตสัมผัสการสัมผัสจิตวาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสพูดง่ายๆว่าสัมผัสต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเวทนาเมื่อก็ออกมาเป็นหกเหมือนกันเรียกเต็มยศเลยจักขูดสัมผัสชาเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นไปจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วมันออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์เป็นสุขแล้วออกมาละเอียดพิสดารมากนะะแต่เรานี่เรายังไม่ถึงเวลาจะพูดเรื่องเวทนาก็ออกมาพิสดารมาก เวทนาจะถึงร้อยแปดยังมีได้มาไปนับมาเนี่ยกลายเป็นเวทนาร้อยแปดแล้วมเพราะา น, นั่นตรงนี้ยมันจะเป็นตัวมันเองนะฮะตัวมันเองเนี่ยมันก็จริงๆก็เป็นกลางๆคือเราคิดตัวเองนะะเป็นสุขเป็นทุกข์เราลองสังเกตว่ามันไม่ใช่ยุติไม่ใช่ยุติว่าอย่างนี้สุขอย่างงี้ทุกข์ที่เรานั่งในห้องหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าอากาศพอดีคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเย็นไปคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ายังร้อนอยู่ เห็นไหมพ้อนเวทนามันต่างกันทั้งๆ ท, ที่อุณหภูมิแล้วนี่เท่ากันอมิเตอร์มาวางเนี่ยอุณหภูมิเท่ากันแต่ว่าถามผิวคนความรู้สึกของคนปรากฏว่าต่างกันนั้นแสดงว่าเวทนาเนี่ยที่จริงมันก็สักระพาเวทนาแต่นั่นเองแต่เราก็ปรุงปรุงคิดคิดปรุงของมันแล้วก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาก็กลายเป็นกระบวนการที่ไหลายต่อเนื่องกันไปเรื่องความตาย ในหลวงพระพุทธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี